เช่นจงดีอย่างเดียวอย่าได้เสียหายจงบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่าได้แปดเปื้อนมนทินใดๆการทำจิตให้ดีๆเช่นตั้งเป็นสมาธินิ่งๆ น, นั้นฉันก็แยกเวลาทำอยู่และนับได้ว่าพัฒนามาจนใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วแต่เมื่อจะเจริญสติในหมวดจิตการตั้งมุมมองไว้จะเปลี่ยนไป